เราจะทําสมาธิอารา <c oughs> ตามหลักทางพระพุทธศาสนาอบุญ <c oughs> เรากุบุญอนุปที่ 2 ก็บุญที่เกิดขึ้นจากการ เร <c oughs> เราก็จะอาตจะต้องทำบาปไปบ้างด้วย เราหรือว่าวาจาที่ไม่ดีไม่งามออกไปหรือ ผลบุญที่เกิดขึ้นจากเราต้องรบรบกับจิตใจของเราเอง ลบกกความโลภลบความตนีที่เกิดขึ้นในถ้า ความดนีย์ไม่มีๆไป จิตของสัตว์หลายถูกครอบด้วยความความนั้นให้การที่จะเนี่ยก็เป็นการบางทีเราแต่ละครั้งต้องต่อสู้กับความของจิตใจนั้นบางคนมีมากมายแต่ก็ คุณทําทานมั้ยก็ได้เพราะความ <c oughs> คือแล้วเราก็อยากจะให้ด้วยเราจะทําได้เนี่ยก็ต้องมีคนมาขอนั้น สิ่งเหล่านี้มันพร้อมกันคืออ่าศีลทําได้ยากกว่างั้น ศีลนี้ประเสริฐว่าสถานเพราะศีลนี้ ได้กดในเทวโลกอ่าเอ่อพรหมอาจารย์ <c oughs> ศีลอ่าพอรักษาไม่ได้อ่าถึงๆพูด <c oughs> มันก็ไม่ๆอ่าบางทีบ้างคนนี้บ้างว่า <c oughs> หรือว่าบางทีอ่าเรา นั้นการที่เราจะรักษาศีลได้ต้องอาศัยสติ ที่เราก็ไปอ่าทําลายชีวิตมันเจอถูก บางทีเราบันดาลโทสะหรือว่าขาดสติอึเรา <c oughs> บารมีอย่างกลางคือต้องสละอวัยวะไอ้ร่างกาย บำเพ็ญทานอุปบารมีนะคือบารมีอย่างกลางอ่าบ้าง อ่าให้มันกินเกเปรี่ยนจิตเรา <c oughs> เวลาที่เรารักษาศีลหรือว่าจะอดๆ ถ้าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ๆความหิวจะไม่เกิดขึ้นมันจะมีความ <c oughs> เดี๋ยวกูว่าจะเป็นโรคกระเพาะเป็นนู่นเป็นนี่อะไร <c oughs> นั่นมันก็ได้ทําให้เราเนี่ย ซึ่งเป็นฐานสูงสูงกว่าอมิทานข้างนอก ค่ำบําเพลเมื่อนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมอะไร <c oughs> เอามีสติแค่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพูดหนอ พอพูดออกมาแล้วเนี่ยมันเกิดคุณก็โทษ ประดมมวลชนได้มากมายก็อาศัยคําพูดเนี่ยมันจะพูดให้คน <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะพูดไปด้วยความคึกข้อง กับตัวเราเองแล้วก็โทษกับคนอื่นคือทํา อันนี้เราฟังจากข้างนู้นแล้วก็มาอ่า <c oughs> อ่าความตั้งใจก็คือสมาธิ <c oughs> มาไม่ไปบอกบอกอ่าไม่ไปบอกไม่ไป <c oughs> ทำได้ยากอ่าคือที่จะทําให้บริสุทธิ์เนี่ยให้เหมือนพระ คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ปัญญายาก เอ่อคือทานนี้ให้แล้วมาแล้ว ในขณะที่ระหว่างเวลา 1 วันเนี่ยบาง อดข้าววิกลาภาวนาอย่างเดียวอ่าเราไม่ <c oughs> คำพูดเนี่ยก็ต้องพูดให้น้อยพูดไปโดยที่ไม่มีประโยชน์คือ อ่าแต่บุญที่เกิดขึ้นจาก เอ่อแล้วมารักษาศีลหรือ มันจะเป็นธรรมชาติที่ต้องรับอารมณ์พอมี <c oughs> การสัมปทที่ไต่ 5 นาที 10 นาที นะอ่านั่งเพราะว่ามันเป็นการทวนกระแสตาแต่ ก็เนี่ยมันไปสบายไม่ต้องไม่ต้องพายไม่ ให้ทะติใช้ความระมัดระวังต้องออกแรง <c oughs> ก็สิ่งที่ได้กินนั่นแหละมา มันไม่คิดออกจากโลกถ้าเราคิดออกจากโลกมัน อ่ะไปมันก็รู้ว่าอร่อยกระแสโลกแต่ถ้าเราถ้าเราจิตเราทวนกระแส มาได้บ่อยเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อสนุก เออเออมันจะคิดคนละ อาหารเราบริโภคเพื่อให้ อ่าเช่นเราเห็นรูปสวยเนี่ยอ่าเราก็แต่ถ้าเราหลาย มันก็เอาสิ่งนั้นมาวิจารณ์กันอ่าวิจารณ์วิตกวิจารณ์แล้วมันก็ คือไม่โมเมอในรูปก็พิจารณา แต่มันคิดโคลยามอ่ามันเมื่อเราคิดทวนกระแสนี่อ่าที่ว่าเราเห็นอ่าแล้ว บางทีเราเกิดรักเกิดความพอ แต่ถ้าเราเอ่อทวนกระแส อ่าไปรู้รสชาติแล้วหรือหวังว่า อ่าทุกมันก็ดับก็มันมันอ่าถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยปล่อยจิต เวลาที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตกน้ํานะฮะมันแรงเนี่ยเราช่วยเหลือตัว จิตของเราเนี่ยมันไปตามกระแสโลกไป นั้นจิตเราตกไปตามกระแสของ เออเสียงกลิ่นรถก็เหมือนกันมันถูก อ่ามันก็ถูกกระแสน้ํานั้นพัดตะไบ ไอ้นั่นไอ้การที่เราอ่าไม่ให้มัน คือรักษาไว้ไม่ให้ยินดีบริกรรม ได้ยินเสียงอ่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามแล้วแต่พอรู้ว่า เอ่อมันดีมันช่วยอย่างไรเนี่ยพอเรา ว่าไอ้ที่ก็ด่าเราที่ก็นินทาเราเนี่ยเนี่ยอ่าหรือว่าเรา อันไหนรักของๆนะปัญญามันเกิดแล้วนี่เรา นั้นการภาวนาเนี่ยเอ่อภาวนา นายตระกูลที่ดีเหมือนคนมีทราบสินเงินทองมากในสวรรค์ก็เนี่ยภัยฮะ โลภโกรธที่โกรธขึ้นมานะเอาอ่าเอาอ่ามีศีลอ่าเดี๋ยว อ่าเขารักของเราเราไม่ได้รักตอบอะนี้อ่า เออมันยังออกจากทุกข์ไม่ได้อ่าสิน ที่เราควบคุมไม่ได้มันก็ต้องทํา นำพาชีวิตให้เราอาจจะทุกข์อ่าฉะนั้นอ่าไม่ใช่ว่าอ่าภาวนานี่ คือถ้าเรามีสติมีภาวนา อ่านันดรมีสติแล้วมีนิโรธมีดับทุกข์แล้วเนี่ย อ่ากระรอกคือจิตกระแสทํา เมื่อเราไม่ต้องการอารมณ์อะไรเนี่ยก็หลบเข้าอ่าที่ว่าเวลาที่เราอ่า เรเราก็จิตของเราไปเก็บไว้ตรงที่เราหลับก็จิตของเราไปเก็บไว้ตรงที่อ่าเหมือนหลับเราไม่รับนะแต่อ่าเอาจิต เราไอ้หลังทั้งที่เราลืมตาตื่นอยู่อ่า นั้นต่อไปนี้เราก็มา ไอ้ตรงคิดนั่น